ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังท่านลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอการสแสวงหาทางแห่งการตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์มาถึงช่วงที่เข้าไปศึกษาอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์ทั้งสองคืออัลาดาบทกาลามโคตรละอุตกะดาบทรามบบุตรได้ถามมาท่านทั้งสองนี้ตั้งอสมอยู่ที่ไหน ในบางแห่งบอกว่าอยู่ในเขตของกรุงกบิลพัฒน์นั่นเองคือแคว้นสกาเน่นเดงแต่บางแห่งก็บอกว่าอยู่ในเขตแคว้นอังคาเมกฏก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าที่ควรน่ยนะเพราะว่าเป็นเรื่องผ่านคือพระโบราณอาจารย์เองก็คงไม่สนิทสนมคุ้นเคยอะไรกับท่านอาลาดาบทกาลามโคตรอุตะกัดดาบทรามบุตรเพราะว่า แต่เป็นคนรุ่นหลังนะั่งหลังจากนั้นนะฮะไม่น้อยกว่าครึ่งศตวรรษวันก็ไม่ควรมนอะไรในการแสดงแต่ในที่สุดก็สงเห็นว่ามันเป็นการพักความสงบไปแท่นั้นเองไปสอบถามท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์ทั้งสองบอกว่าความรู้ที่รู้ได้สอนหมดแล้วนะ แต่รากุมารก็รู้ไปยิ่งกว่าที่เรารู้ดิเพรา ะ, ะนั้นก็ขอให้อยู่ที่นี้แหละก็ช่วยกันเป็นอาจารย์สั่งสอนและที้แก่คนทั้งหลายต่อไปเรเห็ลนลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของเจ้าชายจิตตะคือไม่หลอกตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในพระองค์ว่าทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นมีอยู่ เพียงแต่ว่าไม่เจอเท่านั้นเองทีนี้การบัด ต, ตรงนี้ไม่เป็นการบิตาในแนวฝึกจิตคือไม่ถึงก็จิตเที่ยงแต่ไม่ถึงก็ขาดศูนย์เพียงแต่แสดงว่าสามารถจะทำจิตเดชเข้าถึงพรหมโลกได้ก็ทํานองคล้ายๆกับไปรวมอยู่กับพรห ม, มในพรหมโลกนั่นเองแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วไม่ถึงก็รวมนะฮะแต่อาจจะอยู่ร่วมกัน ในพรหมโลกชั้นนั้นๆจึงว่าเวลาท่านบรรลุฌานเนี่ยท่านจะเกิดในพรหมโลกตามกําลังฌานของท่านร้อนฌานรูปฌานเนี่ยมันมีอยู่สี่สี่จำแนกเป็นกระยาวกลางละเอียดนะฮะสี่ีก็สิบหกแต่ไม่ใช่สามสี่ก็สิบสองหรือไม่สามสี่ก็สิบสองทีนี้ มันก็มีอยู่แค่สิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดโรมโลกเนี่ยเป็นที่เกิดด้วยกำลับบงของชาติอีกห้าเนี่ยพรโมโลกมันมีสิบกนะพรโมโลกที่มีรูปมนมีสิบหกวันอีกหาชั้นมันก็เป็นที่เกิดของท่านที่เป็นพระราชามีพอจิตมันประณีตขึ้นไปเนี่ยมันไม่สนใจในตัวจิต แล้วก็ยังยังเหลือแต่กายยังเหลือแต่กายก็กลายเป็นพรมเขาเรียกว่าอสัญญีสัตตาหรือพรมลูกฟักอสัญญีสัตตาก็สัตว์ที่ไม่มีสัญญาคือว่าจิตจิตเราเนี่ยมันมีตัวปรุงคือเวทนากับสัญญาสัญญาก็คือความจํำลายไมยร้รู้เวทนาก็คือความสวยอารมณ์พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกนี้มันสงบมันสงบแบบ ไม่ถึงก็หมดไปเลยนะฮะแต่ว่าไม่มีอาการเขาเรียกว่าอาสัญยสัตว์คือดูแล้วไม่มีสัญญากับไม่มีเวทนาเพราะนั้นก็กลายเป็นโผรมลูกฟักอย่างนี้ก็ไปแค่ติดอยู่ตรงนั้นเป็นนอนเตงเต้งอยู่ตรงนั้นเองมันไม่ใช่ที่สุดแต่งถูกแต่เป็นการพักคล้ายๆกับขอนไม้ที่ถูกซักขึ้นตะลิง่งก็ไกลไกลน้าหน่อย คือถ้าหากว่าไม่ถึงกระทะเลป่วนแล้วก็คงไม่พัดลงมามาครั้งเตือนอยู่บนนั้นนะ่ะตากแดดตากลมอยู่วันนั้นก็ในที่สุดก็ลาอาจารย์แม้จะขอร้องให้อยู่ด้วยกันท่า น, นก็ไม่อยู่ก็สแสวงหาต่อไปทีนี้ว่าท่านก็หนักไปในทางที่เรียกว่าเน้นไปเรื่องจิตใจแล้วต่อไปมันก็คิดไปในแนวเดิม ในพวกนี้มันมีพรมจรรย์อยู่สี่ประเภทคือว่าเวลาเรานำมาเรียนในพุทธประวัติเนี่ยเรียนนิดเดียวนะว่าจริงที่ทรงมีวิธีการทรมานะวรกายถึงสามวาระเนี่ยแต่ในที่นี้ก็อยากจะให้มาศึกษาดูนานมาแล้วจะมาเล่าฟังว่าเอามาเองยังไม่เคยกล้าอ่าน คือรู้สึกสงสารพระพุทธเจ้าแล้วก็ตื้นตันนะมันไม่รู้จะพูดยังไงเพราะแม้มันหน็ดเหนื่อยเหลือเกินทรมานเหลือเกินเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเหลือเกินเพียงเพื่อหาทางให้หลุดพ้นให้พระองค์หลุดพ้นแล้วก็ช่วยคนอื่นให้หลุดพ้นเนี่ยมันเป็นพระพุทธดํารมหลัดจัดเล่าแก่พระสารีบุตร เรียกพระสูตว่ามหาสียมหาพสูตรเป็นการบรรลืออย่างยิ่งใหญ่ดุจพระยาราชสีประกาศท้าโลกท้าท้าฟ้าท้าดินกันเลยนะฮะใครที่คิดว่าเก่งตรงนี้รู้ตรงนี้สามารถตรงนี้มาพิสูตและประวัติท้ายพิสูตช่งเรื่องที่นำมาแสดงเนี่ยมันมีอยู่เยอะเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกกระบวนการของพยานทั้งหลายเนะี่ย มหาเสนาตสูตรนั้นก็อยู่ในพระคัมภีร์ก็เรียกว่ามัชฌิมานิกายมูลปัญ น, นาสนะฮะเป็นพระคำภีร์เล่มแรกเล่มแรกในมัชฌิมานิกายแล้วก็ประสูตรแรกนั่นก็ยากมหามหาสารเลยก็เรียกมูลปรยา ย, ยสูตรมันเริ่มเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งร้อยห้าสิบห้าสิบเก้านะแต่ว่าในตอนนี้จะพูดเริ่มจาก หนึ่งร้อยเจ็ดเจ็ดไปแล้วก็ข้อข้างหน้าเนี่ยเมื่อถึงเวลานะถึงตอนที่พูดตอนใต้ต้นโพเนี่ยจะจะนำเรื่องเหล่อ น, นี้กลับมาเสนอตัวอย่างที่เคยบอกถ้าผู้ฟังเอาไว้นะฮะว่าใต้ร่มโพธิญาณในนาเนเราก็ยาวเหยียดนะเพราะว่ามันเป็นการนำศึกษาแบบชีน้นกชมไม้ไปเรื่อย แต่การเดินทัศนจรช้าๆดูช้าๆแล้วก็คิดแล้วก็ย้อนกลับแล้วก็หันมาทบทวนเพื่อมาให้เห็นจุดเด่นของการจะะรัดสรุปตัวนี้เราอย่าลืมว่าตอนทรมานพระวรากายเนี่ยที่จริงมีสักขีพยานเห็นว่าทรงทาอย่างนั้นจริงๆคือท่านปัญญวัคคี แล้วก็ท่านก็มีความเชื่อมั่นนะว่าด้วยการทำอย่างนี้จะทำให้เจ้าชาจะตถาได้จดสรสญแต่วิธีมัน ท, ทารุณเหลือเกินสาหัสจาการได้แก่อาตมาอ่านมาตั้งหลายครั้งแล้วนะไม่กล้าอ่านนะเจ้าะมันเรารเคารพท่าทูลพระพุทธเจ้านี่มากแล้วพอเห็นท่านไปทำลาบากอย่างนั้นแล้วเราก็ตกใจเรา คือบางทีเหมือนจะร้องไห้นะมาตื้นตันไปเลยและอย่านึกว่าถ้าท่านผู้ฟังไปอ่านนั่งดูคนเดียวอ่านช้าๆคิดตามไปมันสะตกสะท้อนต้องหยุดนะอ่านไม่จบอะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเวรกรรมจริงๆทำไมต้องไปทรมานตายกายขนาดนั้นแต่อย่าลืมว่ามันคือภารกิจของศาสตราผู้เอ็นดูไม่ได้คิดอะไรเพื่อพระองค์ แต่ว่ามาโนปณิธานของพระองค์ก็คือว่าเราข้ามได้แล้วจะช่วยบุคคลอื่นข้า ม, ามด้วยเราบรรลุอริย ธ, ธรรมแล้วก็จะช่วยบุคคลอื่นให้บรรลุอมฤย ธ, ธรรมด้วยตัวนี้เป็นความเพียรพยายามที่ช่วยพระองค์ให้ข้ามข้ามไม่ได้ก่อนหรือบรรลุอมฤย ธ, ธรรมไม่ได้ก่อนแล้วต่อจากนั้นก็ทํานําเอาสิ่งที่ตรงสัมผัสมาแล้วนั่นเองมาแจากจ่ายบอกกล่าวแก่คนอื่นนี่ถามว่าเขาทำยังไง ก็จะอ่านตัวบาลีให้ฟังนะนะแล้วก็อธิบายตามไปด้วยดุกข์อนสาลีบุตรอันหนึ่งเราย่อมเข้าใจพรหมจันทร์ประกอบด้วยองค์สีคือเราเป็นผู้บำเพ็ญตะบะและเป็นเยี่ยมกว่าผู้บำเพ็ญตะบะทั้งหลายตะบะนั้นเป็นความเพียรพยายามในรูปตรงนี้คือทรมานร่างกายเพราะโดยพื้นฐานความเชื่อเนี่ยว่าจิตเนี่ยมันถูกขังอยู่ใน กครงขังคือร่างกายพออันใดจะทาให้จิตอิสระมันก็ต้องทำลายโครงขังให้ได้แล้วก็เมื่อทำลายกครงขังได้แล้วไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไม่มีผู้ขังเราเราก็จะอิสระเข้าไปอยู่รวมกับตัวปรมิตะมันหรือพรหมมันหรือมหารตรมันก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะมันเป็นเรื่องยุคสมัยนั่นก็หมายถึงสิ่งสูงสุดซึ่งต่อมาปานศาสนาก็นาไปเรียกว่าก นําไปเรียกว่าอันเลาะหรือนําไปเรียกว่าอารุหบัตรหรือนําไปเรียกชื่อยังไงก็ตามอ่มันชื่อเยอะเลยเออสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สึกว่ามันมีสิ่งสูงสุดอยู่และวสรรพชีวิตเนี่ยก็มาจากสิ่งเหล่านั้นทีนี้ถ้าต้องการจะกลับไปรวมกับสิ่งเหล่านั้นก็ต้องบาเพ็ญตบ ะ, ะทรมารร่างกายด้วยวิธีการต่างๆแสบเผ็ดสาหัสที่สุดเลย เหมือนก็เอากรงขังให้ย่อยยับแหลกสลายไปแล้วก็ตัวเองก็จะอิสระจะกลับเข้าไปอยู่รวมกับตัวสิ่งสูงสุดที่ตนมาเลยผู้หนึ่งก็ทำตัวเศร้าหมองมองมแมจนน้ำทาบไม่อาบเลยแต่สารพัดเลยก็เรียกว่าผิวหนังมาเป็นสเก็อ่ะมันสะเก็ดมันร่วงเหมือนสะเก็ดออกมา ทำตัวเรมองก็ตัวองค์ก็ทำเศร้ามองสุดๆเนื้อกว่าคนที่เศร้มองทั้งหลายก็เป็นผู้เกลียดบาปเกลียดเกลียดจริงๆเกลียดยิ่งกว่าคนที่เกลียดบาปทั้งหลายในท้องแล้วก็มาถึงบทสงัดสงัดคืออยู่ในที่เงียบๆนะสงัดในที่นี้มันเป็นความเชื่อในแนวของพวกจิตได้ิยมซึ่งก่อนข้างจะสุดขั้วนะฮะ ก็หลีกเรนกันอยู่เรียกว่าเสียงสัตว์เสียงนกเสียงกาเสียงอะไรก็ไม่ได้ยินเลยนะเป็นการสงัดจากภายนอกแต่ว่าข้างใน ร, ร้อนทีนี้ประการแรกก็คือว่าในการราเป็นดบับบัดก็คงจะไม่ต้องอ่านด้วยพิสดารก็ได้นะเพราะมันยาวเลยกัน จะยกตัวอย่างให้ดูว่าเขาทํากันในสมัยนั้นโดยเฉพาะพวกนักอาเจนักบวชประเภทอาเจนโรกคือเป็นนักบวชเปลือยนะมันเป็นธบรมะแบบคนเปลือยแล้วก็ร้ายมัน ญ, ญาติเลียมือเขาเชิญให้มารับพิพากษาก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่ยินดีพิกษาที่เขานํามาให้ไม่ยินดีพิกษาที่เขานามาเขาทำจำเพาะไม่ยินดีภิกษุที่เขานีมน เรานั้นไม่รับอไม่ไม่ไม่ยินดีพิกษาที่เขานิมนต์พิกษาคืออาหารนะไม่เรานั้นไม่รับพิกษาปากหม้อไม่รับพิกษาจากหม้อข้าวไม่รับพิกษาที่บุคคลยืนคร่อมตรณีประตูให้ไม่รับพิกษาที่บุคคลยืนคร่อมท่อนไม้ให้ไม่รับพิกษาที่บุคคลยืนคร่อมซากให้ไม่รับภิคษาที่บุคคลสองคน ผู้กำลังบริโภคอยู่ไม่รับพิษาของหญิงมีคันไม่รับพิษาของหญิงผู้กำลังให้ลูกดูดนมไม่รับพิษาของผู้หญิงคลอเคลียอยู่กับบุรุษหรือว่าที่นัดแนะทำกันไว้อนัดแนะการทำไว้ไม่รับพิษาในที่ซึ่งสุนัขได้รับการเลี้ยงดูไม่รับพิษาในที่แมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมไรัไม่ดื่มยาดองเรานั้นรับพิษาที่เรือนหลังเดียว เยียวอัตภาพด้วยคําเดียวบ้างรับอิสสาที่เรือนสองหลังเยียวยาอัตภาพไปสองคำบ้างกว่าไปเรื่อยๆนะฮะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเอาข้าวจิงแล้วก็ไม่กินเลยคือว่ารับแล้วรับแล้วก็ผ่อนอาหารไปเรื่อยๆประสงค์แสดงไปตามลําดับคือเราจะเห็นว่ามันมันสาหัสสาการไปโดยลําดับประสบความทุกข์ทรมานไปตามลําดับ เยียวยาอัตภาพโดยข้าวเจ็ดคำบ้างเยียวยาอัตภาพในถาดน้อยใบเดียวบ้างสองใบบ้างเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บค้างไว้ในวันหนึ่งบ้างสองวันบ้างถึงเจ็ดวันบ้างซึ่งก็อาหารก็เสียนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีปัญหาในช่องท้องนะพระพุทธเจ้าประทับนั่งนานบางทีก็ไม่ถ่ายเลยนี่เคยคราวหนึ่งที่ หมอชีวโ ก, โกมาระพัดต้องปรุงให้ถ่ายกันตั้งสามสิบครั้งหรือไม่ถ่ายเลยเพราะอะไรเพราะว่าแขกไปแขกมามากันเรื่อยคนเข้าเฝ้ากันเรื่อยมันไม่มีเวลาแต่ร่างกายไม่เป็นโรคุตระนะฮะร่างกายก็มีเจ็บมีปวดมีเมื่อยเพียงแต่ว่าไม่มีต้นหนาวปราทานไปยึดมันเท่านั้นเองแต่อย่าลืมความทุดโทมของมันทีนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยความขวนขวายในการไปรพกพัฒนาาหารที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนชนนี้บ้างเรานั้นเป็นผู้มีผักดองเป็นพักษ า, ค า, คาบ้างมีข้าวคว้างบ้างมีลูกเดือยบ้างมีกาเข้าบ้างมียางเป็นพักษาบ้างมีสาลาเป็นพักษาบ้างมีรำบ้างมีข้าวตางเป็นพักษาบ้างภักษาก็คืออาหารน่ะมีกรํายาณเป็นอาหารบ้างมี หญ้าเป็นพักษาบ้างกินจญ้าบางทีก็กินจนถึงโคไม่นะฮะโคลไมก็คืออุจจาระของโคมีเงาและผลไม้ใบเป็นป่าป่าเป็นอาหารบ้างบริโภคผลไม้หล่นเยียวยาอัตภาพประชงคผ้าป่านบ้างผ้าแกมกันบ้างผ้าห่อศพบ้างผ้าบางสกุลบ้างผ้าเปลือกไม้บ้างหนังเสือบ้างหนังเสือทั้งเล็บบ้างผ้าคากลองบ้างผ้ากำพลทงด้วยขนสัตว์บ้างผ้าทําด้วย ขนปีกนกค้าบ้างแล้วก็พูดถอนผมและขนหนวดคือประกอบความขนขวายในการถอนผมและหนวดบ้างพวกนี้เป็นพวกนักบวชบางพวกนะฮะมันเวลาจะโกนผมแท่นี่กจะโกนเนี่ยแกถอนเราทีตะเส้นพวกก็ดูแล้วมอมแมมนะร่มแดมบนศีรษะก็ร่มแดมแล้วก็ถือว่าเป็นกา ร, ร, ราปฏิบัติบำเพ็ญตบะ ขวนขวายในการถอนผมและหนวดบ้างเป็นผู้ยืนถือยืนคืออาสนะาห้ามอาสนะบ้างเป็นผู้ประโยงคือประกอบความเพียรในการกระโยงเดินกระโยงเหยียบพื้นไม่เต็มท้าบ้างเป็นผู้นอนบนหนามชั่วโมงการนอนบนหนามบ้างเป็นผู้ประกอบด้วยความขวนขวายในการลงน้ำวันละสามครั้งบ้างเป็นผู้ประกอบขวนขวายในการย่างและกระบมุมกายมีประการไม่ใช่น้อยปานนี้ด้วยประการชนิด ตอนนี้คือว่าบำเพ็ญตะบะเนื้อผู้บำเพ็ญตะบะทั้งหลายซึ่งผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าเป็นระบบความเชื่อในแต่ละสายนะพวกนี้นะธรรมดาทีนี้พอพอท่านไปปฏิบัติแล้วเนี่ยท่านก็ไปยึ ด, ดมันมันจะเกิดมาจากอภิชาตนาอุปาทานเนี่แนะหละคือท่านไม่รู้ความจริงแล้วเกิดอยากที่จะเป็นอย่างนั้นในสุดก็ไปลงมือทำพอทำแล้วก็ยึด พอยึดท่าก็ติดอยู่ตรงนั้นนะท่านก็คิดว่าท่านเสร็จแล้วพวกนี้ในที่สุดมันก็ออกมาในกระแสะความคิดที่เรียกว่าอิดาเมวัสัจจางบุคคลมันอย่า ง, างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องอะ่ะเพราะงั้นพอเพื่อนทำอย่างอื่นท่านก็กลายเป็นคนที่ทะ เ, เลาะวิวาดกันคือตุ้เจี๊ยกกันต่างคนต่างเข้าใจว่าตัวเองถูกนะฮะทีนี้คนที่เถียงเนี่ยให้จับประเด็นไว้อย่างหนโะง่ตั้งคู่นั่นแหละ ไม่รู้ทั้งคู่คือรู้ไม่จริงทั้งคู่เพราะคนหนึ่งรู้จริงเนี่ยเขาจะไม่ยอมเฉียงกับคนที่ไม่รู้จริงทีนี้คนที่ไม่รู้จริงเนี่ยถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันก็เถียงไม่ได้เพราะฉะนั้นจะรู้ครึ่งๆกลางๆก็รู้ไม่ตลอดแต่จะมาเฉียงกันทําไปทํามาก็ปรากฏว่าไม่ถูกทั้งคู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นสังคมของผู้รู้จริงๆคือสังคมของปราอริยเนี่ยมันจะไม่มีการเฉียง ถึงช้เราเทียบเคียงเนี่ยเราก็เทียบเคียงได้นะเช่นสมมติอาตมาบอกท่านผู้ฟังว่าน้ำตาล น, นี่หวานหรือว่าน้ำส้มนี่หวานน้ำพึ่งนี่หวานได้ก็ตามไปนะมันเป็นน้ำมันเป็นเม็ดมันเป็นก้อนมันเป็นขวดมันเป็นผงไม่รู้ว่าเราบอกนี่หวานผู้ฟังก็รู้ทันทีว่ามันมาจากน้ําตาลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าน้ําตาล คนอื่นก็จะเรียกยังไงก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราเองเราเรียกว่าน้ำตารแล้วถามว่าใครเฉียงไหมไม่เฉียงเอามาบอกว่าน้ำทะเลเนี่ยมันเค็มคนที่รู้เรื่องทะเลเนี่ยเขาก็ไม่เฉียงเราบอกว่าน้ำแข็งมันเย็นเห็นไม้มจะไม่มีคนเฉียงเพราะว่าสัมผัสได้เท่ากันทีนี้พวกนี้จะสัมผัสมาคนละฐาน แล้วผลสัมผัสเนี่ยมันจะต่างกันใจจะกระสับกระสายนะกายเองกว่ากระสับกระสายเมื่อกายกระสับกระส่ายใจแกก็กระสับกระสา ย, สสายทีนี้พอกระสับกระสายเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่ที่เล่นที่เล่นหวยนะเราสังเกตว่วาตัวร์คลั่งบ้าหวยกันมากมากเอาขนาดลูกป่วยลูกป่วยหนักชักดิ้นชักงอแล้วเนี่ยยังไม่ยอมนาําไปโรงพยาบาล ต้องการจะดูมันชักเป็นเลขอะไรนั่นคือแสดงว่าออกข้าถึงขั้นคุ้มครั่งทีนี้แนวความคิดตัเนี้มันก็ถึงจุดหนึ่งเมื่อกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าศีลปฏตรปรรามโดยการถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยหลักการปฏิบัติยืนยันของตัวเองและปฏิเสธของคนอื่นตัวเองก็ถูกต้องนะฮะคนอื่นไม่ถูกต้องเพราะงั้นนักบวชประเภทนี้จะไม่สงบ ห, หรอก เพราจิตใจแก่ต้องการเอาชนะแต่ก็มีความรู้สึกเหนือกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในตำนานของอุตสนะัชดาก็จะเจอนักบวชทะเลาะ ก, กันอยู่เรื่อยเลยมันก็เหมือนกับอะไรไม่รู้เหมือนก็มรดกบาปเหมือนมรดกบาปจย่างใอย่างหนึ่งแต่เคตั้งข้อสังเกตนะ์อะสังเกตกับ พ, กพวกที่รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกันนะลองคุยกันดูก็คุยในแง่ตั้งข้อสังเกตนะ์อะเราไม่มีข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นะเพราะเราไม่ได้สำรวจอะไร แต่ว่าเราก็สังเกตเอาว่าเออมันเรื่องแปลกว่าพวกมหาลาพรษทั้งหลายเนี่ยที่ศึกออกไปเมื่ อ, อยูดแถวโน้นไปแล้วเนี่ยแต่อดสามสิบสี่สิบไปแล้วเนี่ยถ้ามีลูกมักจะเป็นลูกผู้หญิงไม่ค่อยมีลูกผู้ชายก็ก็เป็นเรื่องแปลกแล้วก็มักจะเป็นในลักษณะอย่างเนี้ยถึงแม้แต่พัญญาก็อาจจะมี เป็นคนที่สองของเขาก็เคยพูดที่เล่นจริงๆกันนะฮะว่าสงสัยมั่งเพราะว่าตอนเราเป็นพระนี่กินข้าวแล้วก็ชันข้าวแล้วให้เด็กฉันของที่กินของที่เหลือในเราก็ต้องรับบาปกรรมมากินของที่เหลือจะแสดงอาการดังเกียดเหมือนกำลังเกียดผู้หญิงนะที่จริงวินัยนะวินัยก็ว่าไว้คือก็ห้ามไว้นะไม่จะว่าพระไปตั้งข้อดังเกียดได้รเรา เล้วก็ได้ลูกเป็นผู้หญิงก็ต้องเลี้ยงดูเด็กผู้หญิงคล้ายๆก็ไปชดเชย อ, อะไรชอบคนนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ข้อยุติเพียงแต่าการทั้งข้อสังเกตเอาไว้เพราะั้นพวกนี้ต้องมีผลอะไรอยู่ภายในใจของท่านที่ท่านเกิดปักใจเพราะเราดูแต่และเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาคล้ายๆกับบางทีแม้แต่พวกกรรมฐานเนี่ย กรรมฐานบางสำนักที่ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเองแล้วก็เสียเวลาเรื่องกินมาในวันทนะตั้งหลายชั่วโมงเดินบันบินทบาทซื้อไกลสุดกูเลยลมาถึงก็จัดอาหารจัดถาดจากวันเรียงแถวมีวิธีกรรมอะไรต่างๆนี่เยอะไปหมดเลยเสียเวลาเสียสุขภาพมันมีแต่โลภมีแต่โทสะนะฮะพอใครทำไม่ถูกก็เกลี้ยกล่อะ ใครทาถูกก็พอใจแล้วเสร็จแล้วตัวเองก็เหนื่อยต้องจัดเองนะเพราะว่าในแง่อาหารนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอยาบะน้ำตังคือยังอัตภาพไปเป็นไปได้ก็พอแล้วไม่ได้มีรูปแบบอะไรมากมายกายกองขนาดนั้นแต่พอมีรูปแบบมากขึ้นมาในที่สุดเราก็มีปัญหาคือเราเองนะสร้างปัญหาแก่ตัวเราเองแนวพวกนี้จึงเป็นแนวที่เราเรียกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกขกรรมกิริยานหะคือการทรมานร่างกายและความลําบาก เราลองดูถึงนี่ว่านอนบนหนามเนี่ยนอนมันทําอะไรเพราะว่ากายมันกระสรับกระสายประกายกระสรับกระสายใจก็ไม่กระ ส, รบระสรับกระสายใจก็กระสับกระสายแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยเมื่อทําไปก็ปีลักษณะต้องการโอ้ววดเหมือนกัเหมือนกระปายขีเหมือนการแสดงเหมือนกับมายาโกโนเหมือนกับเล่นปายขี แต่แบบนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะเป็นเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อทั้งหมดเลยแต่เราไปที่อินเดียขึ้นมาทางดุสีเกตอยู่แถวพาราณสีนะ่ะแล้วขึ้นมาทางดุสิตเกตจะเจอทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ชั่วนาตาปีมาแล้วมันได้อะไรขึ้นมาจากการกระทำอย่างนั้นคุณภาพจิตของเราเราดูที่จิตของเราในมีเหตุอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมมันก็ไม่่นะฮะนั่นคือทุกกรกิริยาที่พระพุทธเจ้าเองได้เคยเข้าไปพิสูจน์ทดสอบมาแล้ว เี่ยแต่ว่าเรามาเรียนในพุทธวัตรเราเรียนแค่สามข้อนี่ก็สาหัสแล้วนะสมัยอาตมาเรียนนี่คืออ่านครั้งแรกได้จํจำได้จนทุกวันยังจำได้ลยนะข้อความเนี่ยมันมันซึ้งมันทึ่งแล้วมันหดผูใจว่ถัยวร่พุทธเจ้านีน่เหนื่อยจังเราก็เรียกว่าท่านหุงให้แล้วนะฮะยังกินไม่เป็นเลยก็ท่านไม่มีอะไรเลยนะมาหาขึ้นม า, าจนเป็นอาหารแล้วก็หลอเลี้ยง จิตวิญญาณของโปรง่งจดได้จัสรุปเป็นเราพุทธเจาเราท่านท่านหุงให้แล้วนะได้ทิ้งตัดใยจานในแล้วได้ทำไปนะยังกินไม่เป็นตัวไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันทั้งฟังทั้งหลายแต่รบพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุ์ในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังสังายด้ยท่วกันสวัสดี